สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวจากท่านสมาชิกนะครับจะว่าไปก็มีแต่เรื่องราวจากท่านสมาชิกแหะครับที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ตอนแรกก็ว่าจะทําเรื่องป่าครับแต่พอได้เรียบเรียงแล้วก็ประมาณ4ตอนจบได้แต่คิดไปคิดมาคิดว่าจะเป็นการกดดันตัวเองเข้าไปอีกเพราะว่าเรื่องราวมันต้องต่อเนื่องช่วงนี้เวลาทําคลิปยิ่งมีน้อยด้วยอยู่ในระยะทําใจครับมีฟุ้งบ้างเล็กน้อย เลเธอและคิดไปถึงอนาคตว่าเขาจ่อนุมัติให้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเรื่องป่า ย, ยาวๆเอาไว้ตอนที่ YouTube อนุมัติดีกว่าครับตอนนี้ก็ฟังเรื่องสั้นๆกันไปก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากท่านสุภาพสตรีนะครับขออนุญาเใช้แทนตัวสรรพนามว่าเรานะครับเวลาที่ถ่ายทอดจะได้ไม่เขยเขินเราไปฟังเรื่องราวจากคุณข้าวทิพย์คงพรมดีกว่าครับและเรื่องราวของคุณข้าวทิพย์ก็มีอยู่ว่าสวัสดีเรื่องนี้เราเจอมากับตัวถือได้ว่าเกือบตายเลยแหละประมาณ5้าปีที่แล้ว เรื่องก็คือตอนนั้นเราทํางานอยู่ที่คลังสินค้าชลบุรีก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีสังคมเพื่อนฝูงในการทํางานในที่ทํางานเราก็มีเพื่อนอยู่หลายคนก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ที่ทํางานได้มาชวนเรากับเพื่อนอีกหลายคนไปช่วยแกยายบ้านแกชืิดพี่เงินเจอกันกับแกก็ตอนช่วงที่แกเปลี่ยนเวรพอดีแกเพิ่งเลิกจากการกลางวันส่วนเรากําลังจะเข้ากะกลางคืนเรากับเพื่อนร่วมกะก็รับปากว่าจะช่วยแกแกก็กลับบ้านไปเราก็ทํางานกันต่อไปง ก, งก พอตอนเช้าเราเลิกงานแกก็มารับเราไปที่บ้านหมายถึงบ้านเก่าแก่นะแล้วพวกเราก็ไปช่วยแกขนของเราก็ช่วยกันยกช่วยกันย้ายกันคนละไม้คนละมือไม่นานการย้ายบ้านของแกก็สําเร็จพอขนของกันเสร็จจัดของเข้าที่กันได้พอดีงามแล้วที่เหลือรายละเอียดก็ให้เจ้าของบ้านเขาจัดเองอาการง่วงก็มังเกิดขึ้นแน่นอนทํางานมาทั้งคืนนี่มองดูรอบบ้านใหม่ของแกก็รื่มรื่นดี เราก็ได้เจอเป้าหมายที่น่านอนที่บ้านใหม่ของพี่เงินมีเปลผูกอยู่ใต้ต้นไม้น่านอนมากไม่รอชา้ารีบผ่นไปบอกกับพี่เงินว่าพี่ฝนจะไปนอนที่เปลใต้ต้นไม้นั่นนะพวกพี่จะกินเหล้าฉลองบ้านใหม่ก็กินกันเลยฝนขอนอนนะเหนื่อยจริงๆพี่เงินพยักหน้างึกๆึไม่ได้ตอบว่าอะไรได้แต่ยิ้มแสดงว่าอนุญาตผูดจบเราก็เดินตรงไปที่เปลเลยพอเราเดินไปถึงต้นเปลเราก็เห็นว่าใต้ต้นไม้ต้นนั้นมีจอมปลวกใหญ่อยู่ แต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็มันง่วงนี่พอขึ้นเปลได้ก็นอนเลยรู้ตัวอีกทีอยู่บนเปลก็หันเท้าไปตรงจอมปลวกแล้วคงไม่เป็นไรมั้งเราคิดแล้วก็นอนหลับไปเลยเป็นการนอนที่หลับสบายมากหลับลึกเราตื่นขึ้นอีกทีก็ตอนดึกดายนั่นแหละที่ต้องตื่นก็เพราะพี่เงินให้คนมาเรียกไปร่วมวงกับแกเลยมีอันต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินไปนั่งร่วมวงทุกคนในวงเล่ามีใบหน้ายิ้มแย้มหน้าแดงกันเป็นแถวดูท่าจะมีความสุขนะพุยกันหัวเราะเสียงดัง เรานั่งสักพักพอให้นเมาส์คิตาก็ร่วมวงกับเพื่อนต่อเลยวงเล่านี่แปลกคุยกันได้หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องบนโลกไปถึงดาวอังคารทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเราก็คุยกับเพื่อนนั่นแหละแต่พอเรานั่งเพลินๆไปสักพักหนึ่งก็เกิดเรื่องเรื่องก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละจู่ๆเราก็ปวดท้องขึ้นมาตอนแรกก็ปวด น, นิดๆไม่เป็นไรยังคุยต่อกันได้แต่พอนั่งไปนั่งมาอาการปวดก็รุนแรงขึ้นตอนแรกเราก็ทนไหวหรอกคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร แต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้มันปวดจริงๆปวดเหมือนไส้จะขาดให้ได้เลยเราก็เลยต้องบอกพี่เงินว่าเราปวดท้องทุกคนในวงเล่าหยุดคุยกันหันมามองหน้าเราแล้วพี่เงินก็บอกว่าเฮ้ยเราพ า, าไปโรงพยาบาลกันเถอะหน้ามันซีดมากตอนนั้นเราปวดมากขดงอตัวเป็นกุ้งเลยทุกคนก็เลยช่วยกันพาเราไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจก็บอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะเราก็เห็นด้วยกับหมอนะเพราะว่าเรากินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วหมอก็สั่งยาให้เรากลับมากินที่บ้าน แต่เมื่อผ่านไปสองสามวันอาการเราก็ไม่ได้ดีขึ้นอาการปวดก็ยังคงมีอยู่ยาแก้ปวดยาอะไรก็ใช้ไม่ได้ผลก็เลยมีอันต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งพอได้พบหมอก็อธิบายเรื่องราวให้หมอฟังว่าอาการไม่ได้ดีขึ้นหมอได้ฟังทีนี้ก็จัดการตรวจเราใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกกับเราว่าเรามีอาการแพ้ยาแล้วก็งงมากก็ถามหมอว่าแพ้ยาอะไรคะหนูไม่เคยแพ้ยานะคะหมอก็เลยบอกกับเราว่าอาการของคุณไข้ก็คือแพ้ยาทาภายนอกเนอะ ยาสําหรับผู้ชายไว้ใช้น่ะยานี้สําหรับผู้ชายที่มิมีความอดทนเพียงพอพอได้ฟังเราก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยจะไม่ให้ระงงได้ยังไงก็เรายังไม่มีแฟนนี่แล้วเราจะไปแพ้ยาชนิดนี้ได้ยังไงก็เลยบอกหมอกลับไปว่าหมอว่าไงนะคะหนูยังไม่มีแฟนนะคะการตรวจมีข้อบิดพลาดแน่ๆหมอได้ฟังก็ทําหน้างงแล้วก็สั่งตรวจอีกทีพอตรวจอีกทีก็ปรากฏว่าพบก้อนสีสขนาด4ซนติเมตรมาเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา หมอก็เลยสั่งให้แอดมิดนอนรงพยาบาลไปเลยเพื่อเฝ้าดูอาการถูกต้องแล้วเราคิดเพราะว่าเราปวดท้องมากที่สุดเลยปวดมากจนแทบจะไม่มีแรงทําอะไรเลยแค่พูดก็ปวดแล้วเราได้แต่นอนนิ่งบนเตียงพยาบาลขยับตัวนิดก็ปวดจะแกล้มไอก็ไม่ได้ปวดมากข้าปลาก็ไม่ได้กินไม่ใช่ว่าเขาห้ามกินแต่เรากินไม่ได้มันปวดท้องมากจริงๆพอได้รับยาแก้ปวดความปวดก็มันทาคลายลงไปนิดนึงแต่มันก็ยังมีอาการหนึ่งหน่วงให้รู้สึกได้อยู่ มันเป็นอะไรที่ทรมานมากจนขําคืนแรกของการนอนที่โรงพยาบาลมาถึงหลังจากได้กินอาหารเบาๆารับยาแก้ปวดแล้วก็นอนหลับไปมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีก็ตอนดึกพอลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนหันหลังให้ข้างๆเตียงด้วยความเบลอของฤิ์ยาแก้ปวดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําให้เราได้แค่หลีตตาดูแสงไฟจากโรงพยาบาลก็สลัวๆเราก็คิดว่าเป็นหมอแน่ๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าคิดผิดก็คือ ชายคนที่หันหลังให้เราข้างเตียงพูดขึ้นว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงโลบโลกูรัะสะดุ้งเฮือกนลุกหนาวสลังไปทั้งตัวสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่หมอแน่นอนแล้วอาการปวดท้องก็จี๊ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยแล้วก็ขยับตัวอะไรไม่ได้เราได้แต่หลับตานอนร้องไห้อย่างเดียวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยรู้สึกหนาวสะานไปหมดทั้งร่างกายแต่เหงื่อก็ไหลด้วย กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงลบลูกกูสิ่งเย็นชนคุนหัวลูกดังก้องกังวานเหมือนมะดังอยู่ในรูหูทั้งปวดท้องทั้งกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีก็ตอนที่พยาบาลเข้ามาเปลี่ยนน้ำเกลือแล้วก็พาเราไปที่ห้องเอ็กซเรย์ผลงการเอ็กซเรย์ทให้ทั้งหมอและเรางงไปตามๆกัน ผลปรากฏว่าก้อนซีดหายไปทุกอย่างในช่องท้องก็เป็นปกติแต่ทำไมคนไข่ถึงจะปวดท้องอยู่ได้เลยพาตัวเราไปทำอันตราสาวหมอ ก, ก็บอกกับเราว่าพบใบเยื่อบุในช่องท้องอักเสบแล้วก็จัดยาให้กินอีกโดยให้ยาทั้งสายน้ำเกลือคืนที่สองก็นอนผ่านไปด้วยดีพร้อมกับอาการเจ็บปวดโดยที่ไม่มีอะไรมาหลอกหลอนแต่ถามว่าเรานอนหลับสนิทไหมไม่เลยสะดุ้งผวาทั้งคืนปวดท้องก็ปวดกลัวก็กลัว แต่มาถึงวันที่3 ม, มีเพื่อนมานอนเฝ้าเราด้วยเรารู้สึกอุ่นใจมากพอเรารับยาเราก็นอนหลับแต่หัวค่ํามารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนที่เพื่อนสะ ก, กิดแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงกูไปแล้วนะโชคดีนะพูดแบบหน้านิ่งๆิ่งแล้วมันก็ไปเลยเราก็งงสิอะไรวะสังเกตดูมันมีอาการรีบร้อนมากและด้วยสมองอัญชันฉลาดของเราเราก็รู้ว่ามันต้องเห็นอะไรแน่ๆเป็นั้นว่าเราต้องนอนตาแข็งทั้งคืนเลย เพราะว่าตอนนี้อาการปวดท้องมันก็ทวีขึ้นทวีขึ้นเราทั้งกัดฟันนอนน้ําตาไหลจนหลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นว่าเพื่อนมาเยี่ยมก็จะคนที่มันหนีไปตอนตีหนึ่งนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมีพี่เงินมาด้วยแล้วก็เพื่อนอีกสองสาคนรู้สึกดีใจมีคนมาเยี่ยมเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อนที่มันหนีไปตอนตีหนึ่งมันเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนที่มันนอนอยู่มันสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วมันก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้มันอยู่ข้างๆเตียงชายคนที่มันเห็นนั้นกําลังเอามือมาบิดที่ท้องของเราเห็นเรานอนตัวเกรง็งหลับตาดิ้นไปดิ้นมาตสงสัยที่เจ็บปวดมันก็เลยรีบลุกขึ้นนั่งจ้องมองไปที่ชายคนนั้นปรากฏว่าร่างของชายคนนั้นหลือลางแล้วก็หายไปทันทีมันแน่ใจเป็นที่สุดกับภาพที่มันเห็นก็เลยเรียบสกิดเราแล้วก็ขอตัวกลับบ้านพอเราได้ฟังเราก็เข้าใจอาการปวดท้องของเราไม่ธรรมดาแน่นอนมันมีเงื่อนงํา ทำให้เรานึกถึงอาจารย์น้อยซึ่งแกเป็นหมอธรรมที่มีวิชาเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านตัวเราเรียกแกว่าพ่อแกเพราะว่าแกเป็นพ่อกับพี่สะายรีบบอกเบอร์แกให้พี่เงินโทรศัพท์หาแกด่วนเลยพอติดต่อโทรไปหาแกได้แกรับสายแต่ยังไม่ทันจะบอกอะไรแกเลยแค่บอกว่าพ่อน้อยตอนนี้ฝนไม่สบายช่วยดูให้ฝนหน่อยสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นถามไปแค่นั้นแกก็บอกว่าเขาจะเอาถึงตายเลยนะนันเดี๋ยวพอจะทําพิธีให้พรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้ว เราได้ฟังก็รู้สึกดีก็บอกขอบคุณพ่อน้อยแกพูดแค่นั้นและแกก็วังหูเราก็เล่าเรื่องราวที่คุยกับพ่อน้อยให้พี่เงินกับเพื่อนฟังพอได้ฟังพวกพี่เงินและเพื่อนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงอะไรกันหมอรักษายังไม่หายพอพ่อน้อยบอกว่าพรุ่งนี้จะหายและกลับบ้านได้มันจะหายเหรอเวอ่อไปหรือเปล่าเรื่องที่เราคุยกันก็ได้ยินไปถึงเตียงข้างๆด้วยเพื่อนผู้ร่วมป่วยกับญาติก็เลยบอ ก, กบเราว่าเรามาเดิมพันกันดีไหมพี่จะจ่ายเลยสามพันบาทนะ เราหายจริงพี่ก็จะขอเบอร์ติดต่ออาจารย์น้อยด้วยเราได้ฟังก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่รู้ว่าพูดเล่นพูดจริงเพื่อนๆก็พากาันหัวเราะแต่เราหัวเราะแรงไม่ได้มันปวดท้องสรุปคืนนั้นพี่เงินบอกว่าจะขออยู่เฝ้าเป็นเพื่อนเราเองและเมื่อเวลาราตรีมาถึงเราก็ยังไม่ค่อยสบายใจนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ที่แปลกก็คืออาการปวดรู้สึกว่ามันทุเลาลงรับยาแก้ปวดสักพักหนึ่งแล้วเราก็นอนหลับไป นั้นแนอนหลับสบายมากหลับลึกไม่มีความเจ็บปวดมากร้ามกรายและไม่ยามรุ่นนรุ่มาถึงปรากฏว่าอาการป่วดของเราหายเป็นปลิดทิ้งเราตื่นมาพร้อมกับความแจ่มใสไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยอะไรเลยตื่นมาเจอพี่เงินก็คุยได้เป็นปกติทําให้พี่เงินแปลกใจมากเตียงข้างๆก็แปลกใจไม่น้อยเรียกพยาบาลมาพาตัวเราไปตรวจอีกทีหมอก็งงๆแล้วบอกให้กลับบ้านได้เดีย๋ยวว่าแต่หมงงเลยมีคนงงหลายคนอย่างน้อยก็พี่เงินแล้วก็เตียงข้างๆ สรุปก็คือเราลอดตายเพราะพ่อน้อยจึงขอจบเรื่องราวของเราและประสบการณ์ที่ได้ไปเจอมาเพียงเท่านี้แหละครับผมและประสบการณ์กับคุณเข้าวทิพย์คงพรมก็จบลงโดยมีเงื่อน ง, งําด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าได้เงินสามพันที่พนันกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสําหรับประสบการณ์ที่แบ่งปันมาเอาล่ะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงก่อนนะครับสั้นนิดหนึ่งคงไม่ว่ากันนะครับเพราะถ้ายาวกว่านี้เดี๋ยวก็ทําไม่ทันอีก ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับและก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมริศติปัญญายในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ